พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปโนแสดงโปรดขณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี ท Finanz, า่านนักใจบุญทั้งหลายได้ศึกษาสละทั้งเนล่อเวลาสละทั้งภาพสมบัติอันมีค่าตลอดที่สีวิตท่านในความไม่เสียดายทั้งนี้เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเดา ร้อมทั้งประธรรมแล ะ, ะผสมด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์และมีมากท่านด้วยกันมีเระเดชพระคุณท่านเจะคุณเป็นประธานนว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัดตาบ้านตา แม้ท่านทั้งหลายมีความมุง่งอยากฟังก็จะรรมาเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจเท่าที่จะเป็นไปได้ นครอนอื่นขออาภัยท่านทุกๆท่านว่าการแสดงธรรมะนี้เลยมากก็เป็นธรรมะป่าๆทางนั้นซึ่งแสดงตามความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรจะถูกรู้ผิดอย่างไรนั้นจึงขออาภัยไว้ดังน้า การสแสดงทำวันนี้ก็จะเริ่มสแสดงเรื่องการปรับปรุงคำว่าการปรับปรุงเป็นประโยชน์ว่างหวังทางโลกทางธรรมต้องอาศัยการปรับปรุงไม่เป็นนั้นก็ไม่สำเร็จประโยคตามความต้องการ เป็นอาหารแม้จะสาเร็จชื่อว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังต้องอาศัยการปรับปรุงจากแม่ครัวแม่ครัวมีความฉลาดมากน้อยเท่าไหรการปรับปรุงอาหารก็ย่อมมีรสมีชาตมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งจึงต้องอาศัยการปรับปรุงบ้านเอือน วัดวาอาวารถราเป็นต้นเหนีนล้วนแล้วจะอาศัยการปรับปรุงขึ้นเพียงแต่จะเป็นม้อยู่เท่านั้นเป็นเหล็กอยู่เท่านั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์เต็มบ้านเป็นเดือนขึ้นมาดังนั้นการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจะต้องการสิ่งใดต้องอาศัยการปรับปรุงสิ่งนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและทัพส ม, มัตบททอมทั้งความฉลาดสิ่งที่จะสําเร็จรูปขึ้นมาจากการปรับปรุงก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเราเนื่องจากนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เห็นเรานับถือพระพุทธศาสนาหลักของพระศาสนามีเหตุผลอย่างไรบ้างเราจรึงมีความเชื่อความวนใจหรือสนใจการสนใจต่อพระศาสนานั้นสนใจเพื่ออะไรก็เพื่อจะนำหลักธรรมะที่ให้นามาสวคขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมาปรับปรุงตนเอง เพราะเราถ้าหากจะเคียดเหมือนไม้ก็เป็นไม้ทั้งท่อนหรือไม้ทั้งต้นเพียงแต่เป็นรูปร่างของไม้อยู่เท่านั้นจะเป็นไม้ประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้ออ่อนเนื้อแข็งประเภทใดๆก็ยังเป็นเพียงชื่อว่าไม้เท่านั้นเมื่อยังไม่อาศัยการยังไม่ได้ปรับปุงไม้นั้นๆ ให้ถูกต้องตามความประสงค์ซึ่งสมควรจะปรากฏให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปไม่ได้ความที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นบุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยสิ่งที่สำเร็จรูปจากการตุงได้แก่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ พระองค์ท่านทรงปรุงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นวัคขาตาธรรมคือตรัสไว้ชอบหนึ่งและเป็นมิญานิกธรรมจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติคือปรับปรุงตนเองนั้นให้ได้นผ่านพ้นอุปสรรคเป็นลำดับลำดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้สาพยายาม สะแสแหวงหาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้เดินถูกทางแห่งตวขาตาธรรมจึงเป็นการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้น ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเมื่อให้ชื่อแล้วก็ว่าทำด้วยกันเหมือนอย่างเครื่องมือที่มีหลายประเภทสำหรับที่จะใช้ในจิตการตามจิตประสงค์ของตนคำว่าสีม์คำว่าทานและคำว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ศีลเบื้องต้นก็เป็นศีลของปุถุชนเพราะเราเป็นปุถุชนศีลแม้จะเป็นอริยาศีลสำเร็จรูปมาจากความบริสุทธิ์ของพระพโพธิจ้าเมื่อก้าวเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราที่เป็นปุถุชนศีลก็ต้องกลายเป็นศีลของปุถุชนไปต่อเมื่อเราได้ก้าวขึ้นสู่ อริยะภูมิจะเป็นภูมิขั้นไหนก็ตามเรื่องศีลก็กลายเป็นอริยาศีลขึ้นไปตามเจ้าของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตนคำว่าทานก็เช่นเดียวกันทานอย่างต่าทานอย่างกลางทานอย่างสูง แยกออกเป็นสามประเภทคำว่าทานอย่างต่ำทานตามฐานะของเราที่เป็นคนยากจนเรามีอาหารหยาบๆมีของหยาบๆซึ่งคนมั่งมีสีสุขเขาไม่สนใจแต่ก็กลายเป็นของดีสำหรับเราเรามีความยินดีอยากจะได้ทานเพราะมีสัทธา เราก็ทานไปได้ปุณก็สำเร็จประโยชน์เจอเราเช่นเดียวกันและผู้มีฐานะสูงสมบัติมากทานก็ได้ทานแต่ของดีมีก็สำเร็จประโยชน์เป็นขั้นๆ้นขึ้นไปและประเภทแห่งทานนี้ยังแยกออกได้ในบุคคลคนเดียวถึงสามประเภท คือประเภทที่ต่ำประเภทปานกลางประเทรประเภทเ ท, ที่สูงประเภทใดที่เราถือว่าเป็นประเภทต่ำเราให้ทานประเภทนั้นไปนั่นก็จัดว่าเป็นทานที่ต่ำของเราแม้จะสูงกว่าคนจนก็าตามก็จัดว่าต่ำสำหรับคนในฐานะเท่านั้น ภาวานาก็แยกประเภทเป็นอย่างยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเรื่องอนุบุพิกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับของพุทธบบิษัตผู้อยู่ในสะดิษนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใด แสดงเป็นลำดับํำรับไปเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นแต่ขั้นต่ำก้าวขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งทึงขั้นสุดของบันไดธรรมะคำาังสอนของพระพธธุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำที่ว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองนั้นได้แก่พยายามดัดแปลง ตามประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่เห็นสมควรว่าธรรมะพ่อนั้นๆสมหรือพอดีกับสดิมีไซหรือขั้นภูมิของเราเพศของเราเราอยู่คารวาสเราจะควรประพฤติตนเป็นคนเช่นไร จึงจะจัดว่าเป็นพลเมืองดีมีศีลมีธรรมผู้เป็นนักบวชเป็นเลนจะควรประพฤติตนอย่างไรให้สมกับความเป็นเลนของตนผู้เป็นพระตนจะพึงประพฤติปฏิบัติกับศีลกับธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสมกับภูมิแห่งความเป็นพระของตน มีเป็นขั้นขั้นอย่างนี้เรื่องที่กลาวมานี้คือทานศีลบรรดาท่านปูถนนับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักและปฏิบัติกันมา รู้สึกจักไม่ค่อยมีข้อข้องใจอะไรนักดังนั้นจึงขอผ่านไปอธิบายเพียงเท่านี้แต่ด้านจิตใจที่เรียกว่าการอบรมจิตใจให้มีเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ความเชื่อในหลักศาสนาทั่วๆไปนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่ง สำหรับพุทธศาสนาของเราที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทผู้สนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากทั้งผู้ฟังและยากทั้งผู้ที่จะนำมาแสดงในหลักแห่งสมาธิ ปัญญาเพราะคําว่าสมาธิเพียงเท่านั้นเป็นประโยคนอันกว้างขวางของหลักสมาธิทั่วทั่วไปถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความตั้งมั่นคือจิตมีความตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิแต่วิธีจะทําจิตของเราให้มีความตั้งมั่นนั้นเราจะทําวิธีใด จึงจะเป็นไปเพื่อความสงบจนปรากฏเป็นผลคือความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะคำว่าความตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นเพียงเท่านั้นแล้วสาเร็จภูมิแห่งความเป็นสมาธิทุกๆขั้นไตตั้งมั่นในขั้นขั้นหยาบตั้งมั่นในขั้นกลางตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมี เป็นชันๆอย่างนี้และวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็ยนและเป็นสิ่งที่จะเกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความร่วมสายในหลักธรรมคืออุบายวิธีที่นำมาบำเพ็ญตนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ยากเหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นวิสัยของท่านผู้สนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตน ไ, ได้ดังนั้นเบื้องต้นเราไม่ต้องกำหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนะักเราเพียงสังเกตดูจิตบิดใจของเรากับบทธรรมเช่น อนาปาณสติเป็นต้นมาจำกับจิตใจเราด้วยการกำหนดตามรู้ลมหายใจเข้าออกจะสั้นหรือยาวให้ทำความรู้ไว้กับลมของตนและเราไม่ต้องขาดหมายผล่วงหน้าว่า ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดเช่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะการคาดทะนไปนั้นเป็นเรื่องคิดจากหลักปัจจุบันที่จะทำให้จิตเกิดผลประจักษ์คือความสงบเยือกเยนใจขึ้นภายในใจของตนเองเราเพียงทำความกาหนดรู้ไว้กับลมเท่านั้นหายใจเข้าก็ทำความรู้ตามระยะแห่งลม ที่ยากหรือละเอียดหายใจออกก็ทำความรู้ไว้กับลมสัานหรือยาวก็ทำความรู้สึกไปตามระยะของลมที่ระบายเข้า เ, อ, าเ อ, าออกอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าวิธีบังคับจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรม คืออนาปานนปติได้แต่ลมหายใจตามธรรมดาของใจมีธุระอันเดียวเท่านั้นในขณะที่คิดอะไรอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคิดอันนั้นเมื่อเรื่องอื่นแทรกเข้ามาก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่จะคิดเพียงขณะเดียวนั้นได้ร้อยแปันประการ เมื่อจิตได้ทำความรู้อยู่กับลมเป็นต้นไม่ได้สายแสไปที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันนธรรมด้วยตั้งอยู่ในปัจจุบันนจิตด้วยปัจจุบันนธรรมได้แก่ลมหายใจปัจจุบันนจิตได้แก่ความรู้สึกของเราที่สัมผัสอยู่กับลมเท่านั้น มีถูกกับหลักที่จะทําจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อหลักปัจจุบันได้ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วเช่นนี้ผลคือความสงบเย็นใจเป็นลาดับเข้าไปนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายกว่าได้จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้บําเพ็ญหลักแห่งเหตุคือปัจจุบันนั้นโดยถูกต้อง แม่ผู้จะกำหนดทำบทอื่นมีพิกพุทโธเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกกับบทธรรมของตรงนั้นโดยเฉพาะเฉพาะคุกๆุกเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ข้อตามเราไม่มีสิทธิจะไปคาดหมายหรือปรุงแต่งเอามรรคผลนิทาน เริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปได้เพราะทำเหล่านั้นเป็นผลอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นจากหลักแห่งเหตุที่เราตั้งไว้ด้วยดีแล้วเท่านั้นหลักแห่งเหตุคือได้แก่รักษาหลักปัจจุบันนจิตของตนไว้ด้วยดีนี่เป็นหน้าฐานสำคัญที่จะรับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องต้น จนถึงความสงอบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสเพราะเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องความรู้สึกคือใจก็ดีไม่ได้เป็นไปตามเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชและฆราวาสแต่เป็นเรื่องของสัจธรรมอันเดียวกันลมหายใจก็คือสัจธรรม เกี่ยวกับเรื่องของกายจิตที่ทำความรอบรู้อยู่กับลมก็คือเรื่องของสติคอยระมัดระวังและเป็นเรื่องของความเพียรที่จะพยายามรักษาสติของตนไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้นี่ก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งเมื่อสัจธรรมทั้งสองประเภท ได้เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเมืองกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเมื่อใจได้รับความสงบขึ้นมาโดยประจักษ์กับใจของตนเองแล้วี่้จะเพียงห้านาทีหรือสิบนาทีก็าตาม จะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราและเป็นเหตุจะให้คิดย้อนหลังกลับคืนไปถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมากี่มากน้อยว่าเราไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นและเป็นความสุขที่แปลกประหลาด มากยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เราเคยผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราซึ่งก็ได้รับสัมผัสในเรื่องต่างๆมาด้วยกันแต่ความสุขที่เป็นความสงบนี้เป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากและเป็นความสุขที่เบาเย็นใจสบายใจนี่เริ่ม จะให้เกิดความสนใจในหลักธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือความสงบมากยิ่งกว่านิ่งเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปสาหรับผู้ปฏิบัติอย่างไรจะต้องมีความเชื่อมั่นในมักผลขึ้นไปเป็นขั้นขั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ทราบ ผลอันเปน็นพื้นพื้นคือความสงบใจเบื้องต้นแล้วและเราอย่าตำหนิเราว่าเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยการตำหนิเช่นนี้เป็นเหตุที่จะให้ทอดถอยหรือทอดทุรละในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับ แต่โปรดได้พยายามดัดแปลงจิตใจของเราสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญเราให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึไม่ใช่หลักธรรมะคำา่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเรา ให้ลดคุณภาพลงไปและจะก่อความทุกข์ใส่ตนเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากจะบำเพ็ญตนของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเท่านั้นนี่เป็นทางที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือเกเย็นไปเป็นลำดับ ความสงบนี้เมื่อได้อาศัยการบำรุงจากความเพียรอยู่เสมอจะเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้หรือเป็นเช่นเดียวกับทารลกที่เริ่มคลอบเมื่อได้อาศัยการบำรุงอาหารจากอาหารอาศัยการบำรุงจากปุ๋ยหรือน้ำเป็นต้นแล้วต้นไม้หรือทารลนั้นจะ มีความเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เต็มภูมิของตนและกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเรื่องการบำรุงจิตใจของเราด้วยความเพียรก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องมีเครื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางดีทางชั่ว การทำชั่วก็ต้องมีเครื่องสนับส น, นุนทำชั่วเพียงครั้งเดียวก็เป็นเหตุจะให้เป็นสองครั้งขึ้นไปเพราะการทำบ่อยควาชั่วเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความชั่วที่ทใหญ่โตขึ้นมาได้เนื่องจากการสนับส น, นุนคือการทำอยู่บ่อยๆและกลายเป็นความพอใจในการทำชั่วคนคนนั้นเลยกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งตัว กายวา จ, จาใจกลายเป็นเรื่องของความชั่วไปหมดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเราบําเพ็ญเพื่อความดีจะยากลาบากเราก็บําเพ็ญเพื่อเราไม่ได้บําเพ็ญเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดๆเบื้องต้นก็เพื่อเราแต่เมื่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาแล้วการที่จะเฉลี่ยเพื่อแค่ความรู้ความฉลาดสมบัติของตนที่ ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือความข้นขวายของตนนั้นย่อมเป็นไปเองฉะนั้นการอบรมโดยความภาคความเพียรให้ติดต่อไปทุกวันทุกคืนนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเจริญพื้นหน้าขึ้นไปในทางด้านจิตใจเบื้องต้นจะส ง, งบเพียงเล็กน้อย แต่พอเป็นเครื่องสะดุดใจเราให้มีความดูดื่นตราเมื่อทำไปมากๆหรือทำไปนานๆความสงบนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของจิตเป็นประจำเราจะออกจากสมาธิไปทำกิจการงานอะไรก็ตามจะเดินเถินหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องความสงบที่ปรากฏเป็นพื้นฐานนั้น จะมีประจําใจของท่านผู้บําเพ็ญผู้นั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตที่ได้ฐานแห่งความสงบไว้เป็นประจําตนแล้วเมื่อมีความชํานาญมากกว่านั้นเราต้องการจะให้สงบลงเมื่อไรก็ได้ตามต้องการมีท่านเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียด ความสงบของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นบางท่านก็จะไม่เข้าใจถือตามธรรมดาของจิตย่อมมีการงานเช่นเดียวกับส่วนร่างกายของเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากเราจะไม่สังเกตการงานของจิตเท่านั้นเราจึงจะเห็นแต่ว่าจิตว่างงานแท้ที่จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายของเรา ร่างกายเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับส่วนของจิตนั้นไม่ค่อยจะมีมีความปรุงความแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตปรุงอยู่วันยั่งค่าคืนยั่งลุง่มไม่มีจิตหมายปลายทางของความปรุงของจิตนี่เรียกว่างานของจิตตรงนั้นเมื่อจิตทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแล้ว จิตก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับและการรับ่านเลยคนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ร่างกาก็ไม่สามารถจะต้านทานกับา ง, งานได้เลยจากนั้นก็ตายเรื่องของจิตก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมธรรมะ เพื่อจิตจะได้รับความสงบเข้าพักผ่อนดอนใจของตนดูในความสงบนั้นเป็นเรียกว่าพักงานคือความคิดความปรุงทั้งหลายเมื่อจิตได้อย่างเข้าสู่ความสงบอย่างจริงจังแล้วจะระงับไปเรื่องความคิดความปรุงจะไม่ปรากฏในจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นจึงจะ อ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าทำงานอีกต่อไปแต่ในขณะจิตที่มีความสงบประจําตนนั้นที่เรียกว่าไม่มีงานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิง่งเช่นเดียวกับเราจะแบกไม้เลือหาปอะไรไปก็ตามซึ่งเป็นภาระอันหนักย่อมมีความลําบากต่อตอนเองไม่น้อยยิ่งไประยะทางไกลๆเขายิ่งหนักมากและหนื่อยมาก เมื่อได้โปร่งหาบลึบทิ้งสิ่งที่เราแบกหามไปอยู่บนบาเราลงไปเสียเมื่อใดเราก็รู้สึกมีความสบายกายลักษณะของจิตที่โปรยวางอารมณ์ซึ่งเป็นภาระของตนอย่างเข้าสู่ความสงบย่อมมีความสบายเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีความสบายมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายที่ ปล่อยภาระคือการถาบการหามนั้นจนหาประมาณไม่ได้ไม่เช่นนั้นท่านผู้บำเพ็ญทาง้านจิตใจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความดิดดื่นภายในจิตใจเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เลยนี่ก็เนื่องจากว่าได้ปรากฏรสชาติแห่งธรรมะ เรื่องเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเห็นผลประจักษ์คือความเย็นใจสมายทั้งกลางวันกลางคืนประจําอยู่ในใจของตอนนั่นเองมีอธิบายถึงเรื่องความสงบของใจมีเราจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หรือจะไม่ให้ชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ด้วยกัน เราจะให้ชื่อว่าถูกหรือให้ชื่อว่าคุกนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เรารับทราบด้วยกันเนี่ยธะมาถึงขั้นของสมาธิที่จะปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญและจะรู้วิถีทางเดินของจิตใจของตนได้ชัดเจนขึ้นว่าใจนี้มีสภาพ แตกต่าง ก, กันกับส่วนร่างกายอย่างไรบ้างเพียงขั้นของสมาธิเท่านี้เราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแห่งร่างกายนั้นเป็นสภาพอันหนึ่งจิตนี้เป็นสภาพอันหนึ่งแต่อาศัยซึ่งส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้อยู่ทีนี้กล่าวถึงขั้นปัญญาหมายถึงความเฉลียวฉล า, าดรอบคอบ พิจารณารู้แจ้งเห็นชัดจิตใจมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในปัญญาสามารถจะพิจารณาคนควาดรู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปทานกับใจของตนเองได้เป็นลําดับลาดับและปล่อยวางภาระคื อ, อุปทานนั้นเข้ามาได้เป็นขั้นัด นี่ท่านนียกปัญญาปัญญาก็มีขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดเหมือนกันเมื่อปัญญาได้ทําความพินิจพิจารณาเห็นเราพิจารณาส่วนแห่งร่างกายของเราจะพิจารณาข้างนอกก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเข้าข้างในก็เป็นเรื่องสัจธรรม อากพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตก็เป็นเรื่องศัจธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปทานภายในใจของเราแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกขนไม่ว่าข้างบนข้างล่างข้งหน้าข้างหลังของส่วนแห่งร่างกายการพิจารณาทํานองนี้จึงเป็นเหตุให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงแสงธาต ที่มีอยู่การธรรมาชาติของเขาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเข้ามากลายเป็นการวางภาระไปเป็นขั้นๆวางภาระได้มากเท่าไหรใจก็ยิ่งมีความเบาสบวยมีความสว่างกระจ่างแจง้งและเห็นภาริสงแห่งการปล่อยภาระด้วยอํานาจของปัญญาพิจารณาไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นการถอดถอน อุปทานออกจากติตใจเพราะจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในก็เป็นเรื่องปล่อยวางอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักออกจากใจได้เช่นเดียวกันีน่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดส่วนเมตนาไม่เพียงแต่ด้านวัตถุคือส่วนแห่งร่างกายหรือรูปทั่วๆไปเมตนาจะเป็นความสุขความทุก เฉยเบื้องต้นก็จดจ้องในเรื่องทุกขเวทนามากเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดลงไปตามหลับความจริงของเขาแล้วเรื่องสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอานาจแห่งการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นได้ชัดก็สามารถจะรู้ชัดในเรื่องสุขเวทนานั้นได้อีกแม้อุเปกขาเวทนาทั้งเป็นส่วนแห่งร่างกายและเป็นส่วนแห่งใจโดยเฉพาะก็สามารถจะทราบได้ด้วยปัญญา สิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่รู้ชัดเห็นชัดก็ย่อมเป็นอุปทานได้อุปทานถือเวทนาไม h h ara, <propose> ่ว่าทุกขเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาไม่ว่าเวทนาส่วนร่างกายไม่ว่าเวทนาส่วนจิตใจย่อมเป็นอุปทานของใจได้เมื่อเป็นอุปทานของใจได้ก็ชื่อว่าเป็นกองทุกขทับผมจิตใจของเราได้เหมือนกันการพิจารณาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้จึงเป็นการขอดถอนอุปทาน ั้งส่วนเวทนาของกายส่วนเวทนาของใจได้เป็นลำดับลำดับไปนัญนยาที่หมายก็หมายเพื่ออุปท า, านสังขารที่คิดก็คิดเพื่ออุปท า, านคือยกภาระมาแบกหามทั้งนั้นเิยนญาณที่รับรู้ก็รับรู้เพื่ออุปท า, านคือความหนักจากจิตใจของตน การพิจารณาให้ทราบทัดในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นการขอดถอนภาระแต่ละอย่างและอย่า ง, างเข้าไปจนสามารถทราบทัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปะทานให้เป็นตัวทุกขขึ้นมาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนหเรื่องปัญญาแล้วไม่มีสิ้นสุด เช่นเดียวกับไฟได้เชื่อเชื่อมีอยู่ที่ไหนไฟย่อมไหม้ไปได้ทั้งนั้นเชื่อที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกมีอยู่ที่ไหนเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอแล้วสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงหมดและสามารถที่จะรื้อถอนได้ทั้งส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดของสภาวธรรมทั่วๆ่วไป ทั้งภายนอกและภายในแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นที่อาศัยหรือสุมซาบอยู่แห่งอุปทานภายในใจของตอนเองก็ทราบทัดด้วยปัญญาและสามารถแยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาอันละเอียดอุปทานที่ สังอยู่กับสิ่งภายนอกก็หมดไปอุปทานที่สังอยู่ในธาตุในขันในธาตุตีดินน้ำลมไปและในขันคือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ก็หมดไปสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานในขันนี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็สามารถทราบลงได้อีกเรียกว่าถึงรากฐานของใจจริงๆ นั่นแล้วก็สามารถถอนออกได้ธรรมชาตินั้นท่านเรียกอวิชชาอันนี้เราให้ชื่อว่าอาวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาที่แท้จริงนั้นก็สิงอยู่กับความรู้ที่เรารู้ ร, รู้อย่างนี้อปัญญาสามารถแทรกลงไปได้และถอดถอน อุปาทานคือความหลงตัวเองเสียดาโดยกินเพ็ง น, นั่นจะหมดเชื้อแห่งความท่องเที่ยวของจิตเรื่องจิตที่ท่องเที่ยวคือเอาพบเอากำเนิดในที่นั่นที่นี่โดยเจ้าตัวไม่รู้ย่อมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแห่งจิตที่มีอุอวิชาอยู่ภายในตน หรือมีอุปทานอยู่กับตัวเองโดยเจ้าตัวไม่มเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่องของตัวเองและการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องเพื่อให้รู้ร่องรอยที่ไปที่มาของตนอย่างชัดเจนทั้งที่เป็นมาแล้ว เป็นมาเพราะเหตุใดและจะเป็นไปข้างหน้าหรือจะไปถือกำเนิดเกิดอีกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านั้นจะเป็นไปจากที่ไหนถือหลักปัจจุบันซึ่งโลโลเห็นเห็นอยู่ในเวลานั้นเป็นหลักประกันสาเหตุทั้งหมดที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตย่อมปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตน เพราะความหลงสนเป็นสาเหตุอันสำคัญย่อมรู้ชัดลงกันลงที่นี่และทำลายปมแห่งพบแห่งชาติลงได้ในกิจที่มีอวิชชาฝังอยู่นั้นด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาได้สลายตัวลงไปเรื่องของสมุดทั้งหลายก็สลายลงไปพร้อมๆกัน เรื่องพบเรื่องชติที่เคยเป็นปัญหาสำคัญต่อเราเนือเคยเป็นภาระต่อเรามาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นย่อมทราบชัดกับหลักปัจจุบันที่ได้ทำลายให้สิ้นฝู่นลงไปแล้วนั้นเรื่องอนาคตก็เป็นอันหมดปัญหาในการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันคือจิตที่ลู้อยู่นาบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้ว ไม่มีสมมุติใดๆที่จะเถือบแฝนได้แล้วนี่เป็นการรู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้ถึงขั้นนี้แล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความเป็นมาของตนและของคนอื่นสัตอื่นก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันเป็นธรรมชาติที่เบิกฤทธ หมดเรื่องหมดล่ะนี่ท่านดับกองทุกท่านดับที่นีทุกที่จะไปถือกาเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้เท่านั้นคือจิตดวงเดี่ยวแต่เราไม่ทราบว่าจิตคืออะไรทั้งๆ ท, ที่เราสงสัยหรือเราไม่รู้นั่นเองธรรมชาติที่ไม่รู้ก็คือจิต แต่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้เราทราบเรื่องของจิตกับเรื่องของกายมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอาศัยวิธีอบรมจากธรรมะคำสอน ข, ข, ของพระพธธรระุทธเจ้าที่พระองค์ก็ทรงไม่เคยท่องเที่ยวเกิดแต่จิ ต, ตายมาไม่รู้กี่พบกี่ชาิจนได้กลายเป็นศาสนาด้วยการบำเพ็ธรรมะ และได้มาเป็นครูอสอนพวกเราเราทั้งหลายได้นำธรรมะนั้นมา ป, ปฏิบัติและดำเนินอย่างไรก็ต้องทราบร่องรอยความเป็นมาและความเป็นไปของตนด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี้โดยแน่นอนดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้สึงขออาราธนาองค์สมเด็จพ ร, ระพุทธเจ้ า, า พ, พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ึงมาคุม้มครองบรรดาท่านนักบุญทั้งหลาย ให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิงใดจนสมตามความมุ่งมั่นต่ธนาโดยโทาน่ากันเเคย